สติทำงานยังไงสติก็คือพอเราลึกรู้ได้ก็กลับมาอยู่ที่ใจกลับมาอยู่ที่กายมันก็เป็นการละอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไปในตัวโกรธก็ดีเครียกก็ดีเครียดก็ดีนะฟุ้งซ่านก็ดีมันพอรู้แล้วมันก็ละของมันไปเองเพราะว่าเกิดความระลึกได้ก็จาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้เผลอไปเผลอไปคิดเมื่อกี้เผลอฟุ้งไปมันก็กลับมา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 ก็เพียงแต่รู้นะในอาการเคลื่อนไหวเหล่านั้นรู้รวมๆนะไม่ต้องเพ่งในเวลาถางยาก็ถางไปไม่ต้องไปเพ่งที่ตรงใดจุดใดจุดหนึ่งให้มันรู้ไปรวมๆอันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวหรืยว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วบางทีมันมันจะหลงลืมบางอย่างไปอย่างเช่นที่เราไปเพ่งที่มือเนี่ยเวลาถางาเราไปเพ่งที่มือบางที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 การปฏิบัติทำในตัวได้ถ้ า, าว่าเรามีสติอยู่กับงานที่เราทำในระหว่างที่เราอยู่กับกลุ่มชนเหล่านั้นอยู่กับเพื่อนๆนเราก็สามารถจะอยู่แบบวิเวกได้อยู่คนเดียวได้การอยู่คนเดียวในอริยวินัยไม่ได้ไหมายความว่าเก็บตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ไหมายความต้องอยู่ในป่าไม่ได้ไหมายความอยู่ในห้องผู้เจ้าตรัสว่าแม้อยู่ในป่าหลีกเล่นแต่หากว่า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 เป็นอุปสรรคกี่ขวางการหลีกเล่นของเราอันนั้นไม่ใช่การหลีกเล่นที่แท้จริงนี่ไม่ได้อยู่ที่กายภาพหรือว่าอยู่ที่ว่ามีคนแหล้อมเราแค่ไหนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องอะไรในใจของเราในใจของเราเป็นยังไงอยู่คนเดียวแต่ใจฟุ้งซ่านมันมีเสียงพูดอยู่ในหัวเราตลอดเวลา ม, มีเสียงพูดอยู่ในหัวเราตลอดเวลานี้ก็เลย ว, ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้ว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 เราลึกขึ้นมาได้วันนี้เรากาลังนั่งฟังอยู่นะเรากําลังอยู่ที่ศาลาให้การระลึกได้ตรงนี้แหละคือสติสติคือความระลึกได้นะแล้วถ้าเราลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจมั น, นเรานี้เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสัมมาสติการระลึกได้นมันเลลึกได้หลายอย่างขณะที่เรานั่งอยู่นี้เราระลึกได้ถึงเหตุการณ์ไร้ไรที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเรา คำพูดที่เขาด่าเราอันนี้ก็สตินะแต่มันเป็นมิจฉาสติเพราะมันระลึกได้แล้วเนี่ยมันทำให้ทุกข์แล้วมันเป็นการระลึกเรื่องนอกตัวการระลึกเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องนอกตัวนี่เราก็ใช้อยู่ประจำระลึกได้ว่าโอ้พุ่งนี้จะต้องทาอะไรบ้างพุ่งนี้วันพระนะเราต้องไปรวมกันทำวัดเช้าวัดเย็นที่ศาลานอกอการระลึกได้แบบนี้ก็เป็นสติแต่มันเป็นการระลึกได้เรื่องนอกตัว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 ร ล, ลึกได้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนที่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ขณะที่เผลอไปเผลอไปคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลานแล้วก็เราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้อันนั้นแหละคือสัมมาสติคือสติปัฏฐานมันเป็นการระลึกรู้ในกายและใจไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวระ ล, ลึกได้ในเรื่องงานระ ล, ลึกได้ว่าต้องทาอะไรระ ล, ลึกได้ว่าอาทิตย์หน้า จะมีงานอะไรหรือระลึกได้ว่าจาได้ว่าจากนี้ไปจะกลับบ้านนี้จะต้องออกจากวัดเราจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงไปยังไถงถึงจะถึงแกงคอระลึกได้แบบนี้มันปเป็นระลึกได้นอกตัวมันไม่ใช่สัมมาสติแต่มันก็ดีนะมันก็เป็นประโยชน์สาหรับการทำงานทําการได้แต่การระลึกได้บางอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเช่นการไปไประลึกถึง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 พอรู้แล้วกลับมาอยู่การสวดมนต์แต่บางทีใจมันไปอยู่การสวดมนต์ไปคิดเอาบทสวดมนต์ไปปรุงแต่งเป็นนึกคิดไปติดที่ถ้อยคำบางถ้อยคำอันนี้มันก็ลืมไปแล้วลืมปัจจุบันไปแล้วกลับมาให้การเจริญสติของเรานี่ยมันถึงเรียกว่าเป็นวิธีการที่สากลนะทำได้ตลอดเวลาการงานเป็นการปฏิบัติทำแต่เพระเหตุนี้นะแม้แต่การกินข้าวก็เป็นการปฏิบัติทำได้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 นะเห็นแสงสีเห็นนิมิตสามารถทำอะไรที่พิเศษพิสดารได้ไนะปคิดว่าการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัตนะิที่เรียกว่าสติปทานหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ลัดตรงเข้าสู่แก่นแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยคือเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรได้เพราะว่าถึงแม้จะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มี สามารถทายใจคนได้เห็นแสงสีเห็นนิมิตนะสามารถเข้าฌานไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือสามัญที่คนธรรมดาจะทําได้แต่ว่าถามว่ามันช่วยพ้นทุกไหมนะอย่างพระเทวทัตเนี่ยก็มีความสามารถมีที่ปฏิหารหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้พ้นทุก์ได้เลยกับเกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าไปด้วยนะ เพรานั้นเนี่ยเราต้องถามว่าเออไอการปฏิบัติของเราเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ได้ไหมมันช่วยทําให้ตัวตนขยายใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือเกิดความยึยดติดในตัวตนหรือเปล่าบางทีมีที่ปฏิหารสามารถทํานายอนาคตได้ก็กลับเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าลาบสักการะเป็นเข้ามาก็ทําให้ยึดติดในลาบสักการะนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อันนี้เรา ให้เราจับหลักให้ได้น ว, ว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมันกน็ต้องนําไปสู่ความพ้นทุกข์และจะพ้นทุนทกข์ได้ต้องเกิดปัญญานะต้องเกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธรรมตัดสรู้เนี่ยผู้จารย์มีความสามารถคือตัดสรู้ถึงเป็นพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองตัดสรู้เรื่องอะไรก็ตัดสรู้เรื่องสัจธรรมความจริงว่าสิ่งสร้งทั้งปวงมันมีอะไรที่นัยยึดถือได้แม้แต่ลาบสักการ์ละชื่อเสียง แล้วมันก็ไม่สามารถจะเป็นที่ยึดถือได้และที่จริงแล้วเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยจนกระทั่งเรเข้าถึงความบรนทุกแล้วชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนสามัญไม่ได้มีอะไรที่พิสดารนะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีกิจวัตรอย่างไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์ก็ตอบว่าก็ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยื่อขึ้นไหวก็มีสติมีความรู้สึกตัวเท่านั้นเองนะไม่ได้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 ก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันบางทีชาวบ้านธรรมดาที่เขาไม่มีอะไรไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเทคโนโลยีมากมายาก็มีความสุขได้เคยมีคนท้าผู้เจ้าวันเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยไม่มีความสุขหรอกนะสู้เพราะเจ้าพิมพิสารไม่ได้เพราะเจ้าพิมพิสารมีความสุขมากกว่าก็พิสูจน์กันพิธีพิสูจน์ก็ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพิสดารหรืออิทธิปฏิหารอะไรมาก พระเจ้า ก, ก็เปรียบเทียบ ว, ว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นพิสารเนี่ยนะสามารถที่จะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงไม่พูดกับใครได้ไหมเจ็ดวันนะพวกนิครนที่ท้าพระเจ้า ก, ก็บอกว่าไม่ได้หรอกแล้วถ้า6วันละ่ะก็ไม่ได้แม้ลดมาเหลือ1วันเนี่ยก็ไม่ได้แต่พระองค์บอกว่าพระองค์ทำได้อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงแลนะไม่พูดกับใครเลย1วันก็ทําได้สองวันก็ทําได้7วันก็ทําได้ ไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องพิสดารอะไรนะเป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องของการที่เมื่อมีความสุขละจิตร์ก็นิ่งนิ่งและมันนิ่งที่แรกก็นิ่งที่กายนะต่อไปก็นิ่งที่ใจต่อไปก็นิ่งที่กายด้วยนะไม่ได้วัดกันไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อวดความเก่งกล้า ส, สามารถด้วยอิทธิปฏิหารอะไรแต่ใช้วิธีง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถจะเห็นได้นะแล้วก็เข้าใจได้อันนี้เราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยโดยพริปิปัสนากรรมฐานนี่มันต้องเป็นเรื่องของ ความลี้ลับเรื่องของความพิสดารเรื่องของอิทธิปฏิหารนั่งแล้วก็ต้องเห็นสีเห็นแสงนะสามารถถ่ายใจได้ไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้เป็นเป็นของแถมนะแต่ไม่ใช่เป็นสาระไม่ใช่เป็นแก่นของการปฏิบัติในพุทธศาสนาไอาเรื่องทำอะไรพิสดารแปลกๆเนี่ยพวกโยคีก็ก็ทำได้เยอะนะบางทีก็เป็นนั่งอยู่บนภูเขาน้ำแข็งถอดเสือ้อนะถอดเสือ้อแต่ว่าสามารถที่จะ อยู่ได้ท่ามกลางอากาศที่มันหนาวเหน็บอันนี้บางทีพระอาหารหันก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่ทำไม่ได้เพราะว่าคนที่ทำได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกนะหรือพวกโยคีที่ทำทุกระกิริยาสามารถที่จะเอาตัวฝังไว้ในดินไม่หายใจนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ทำได้นะแต่ว่าพวกนี้พ้นทุกไหมก็ยังไม่พ้นทุก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 ใช่ครว่าฉันความยึดติดในตัวตนนะอิทธิปฏิหารนี่มันก็มีแต่ทำให้หลงตัวหลงตัวหรือถือตัวมากขึ้นใการปฏิบัติบางทีมันมันง่ายหรือมันมันสามัญจนบางทีเราเราไม่ถึงว่าว่ามันจะง่ายอย่างนั้นหรือเพราะเราไปคิดว่ามันต้องใช้วิชาใช้วิธีการยากๆทุกวันนี้เราพอเราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเราก็เลยเห็นมันเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนไป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 หรือไม่มันก็มันก็ไม่เข้าไปอยู่ในอดีตกับอนาคตอดีตอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องความคิดทั้งนั้นนะอดีตผ่านไปแล้วแต่ว่า้ความคิดในเรื่องอดีตมันมันชอบมาหลอกหลอนแล้วนะคนเราทุกข์เพราะเรื่องอดีตกับอนาคตนะอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมให้ผ่านเรื่องเจ็บช้ำน้ําใจผ่านไปแล้วก็ยังเก็บเอามาไว้ทิมแทงตัวเองทุกวันนี้นี่เราทำร้ายตัวเองด้วยการเอาเรื่องเราในอดีตนี่มามาบั่นทอนตัวเองมาก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 แต่คิดไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งล่ะจะทำยังไรพอมันคิดแค่นี้แหละสุดทันทีเลยนวคนบางคนเนี่ยนะตัวซีดก็คิดไปลุวงหน้าแล้วว่าสงสัยจะไตาวายแล้วมัง่งหรือว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้านะมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลยนะต้องไปให้หมอเวลาไปหาหมอนี่ต้องนั่งเปลต้องนอนเปลอมามีคนนึงแม่ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัด นะทุกเสาร์ที่ก็ต้องไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดใจนี่ก็เป็นห่วงว่าแม่ว่าจะมีอาการไร้าแรงหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ทํางานอยู่ก็มีโทรเลขมาโทรเลขนั้นเนี่ยบอกว่ามาจากบ้านของตัวเองที่แม่เนี่ยพักอยู่พอได้โทรเลขแค่นั้นแหละแกสุดเลยนะสุดเลยเป็นถ้าจะเป็นลมเลยนะร้องหน่งร้องไห้คนก็มาถามว่าร้องห่งร้องไห้ทําไมก็บอกว่า มีโทรเลขจากที่บ้านมาแม่เสียชีวิตแล้วล่ะคนที่มาถามก็หันไปมองที่โทรเลขเรากว่าโทรเลขนี่ยังไม่ทันจะเปิดซองเลยยังไม่ทันจฉีกซองเลยก็เลยถามอาอ ย, ยังไม่ฉีกซองแล้วรู้ได้ยังไงว่าแม่เสียแล้วเขาบอกก็ถ้าแม่ไม่เสียจะส่งโทรเลขมาทําไมร้อยวันพันปีไม่เคยส่งรากว่าพอให้ฉีกโทรเลขดูรากว่าแม่โทรมาบอกว่าถ้า กลับไปบ้านเที่ยวหน้าก็ให้ช่วยซื้อยายาอย่างนี้ยี่ห้ อ, อ น, นี้มาให้ด้วยแบบนี้ก็มีนะประเภทว่าตีตนไปก่อนไข้ปรุงแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่ปรุงแต่งนี้เป็นความจริงแต่ น, นี้คนเรานี่ไม่ค่อยรู้เท่าทันความคิดเท่าไหร่มันเพลินไปกับความคิดมากหรือไม่ก็ไปหลงกับความคิดไม่รู้ฐานว่าตัวเองนี่ชอบปรุงแต่ง คนธรรมดาก็ชอบปรุงแต่งความคิดนะนะมีความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ว่าถ้ารั่วมันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงก็ไม่มีอะไรแต่เราเผลอไงเราไม่รู้สึกตัวเราลืมสติไปอันนี้ไงที่เราว่าไม่รู้ใจไม่รู้กายไม่รู้ใจลืมกายลืมใจไม่รู้เท่าทันในสาวพฤการก็มีนะมีภาพรูปหนึ่งก็ไปหาอุปชาได้ภาพจำนำภาษามาสองผืน ก็เอาผ้าจันทร์ภาษาผืนผ น, นึงให้กับอุปชาอุปชาก็ไม่รับบอกว่ามีแล้วนนผ้ารูปนั้นก็เสียใจน้อยเนื้อต่ําใจว่าถวายให้อุปชาอุปชาไม่รับใจนี่ผ่านคิดจะสึกขึ้นมาเลยเราสึกขึ้นมาแล้วคิดยังไงต่อคิดว่าโอ้ฉันจะเอาผ้าผืนนี่แหละที่ที่อาจารย์ไม่รับเนี่ยจะไปขายขายแล้วก็จะเอาเงินไปซื้อแพะซื้อแพ้แล้วก็จะเอาอมาเลี้ยงเอาลูกมันเมื่อได้ลูกแล้วก็จะขาย แล้วพอมีเงินแล้วนี่ก็จะก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็จะมีลูกเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยฉันก็จะพาลูกเนี่ยมามาเยี่ยมอุปชาพาเมียมาด้วยนะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะปรุงแต่งไปกระทั่งว่าขณะที่พาลูกพาเมียขึ้นมาบนเกวียนตัวเองขี่เกวียนแม่ในดูแลลูกอยู่บนเกวียนปรุงแต่งไปต่อว่า แม่นี้แม่เอาใจใส่ลูกเพราะว่าลูกตกลงมาจากเกวียนพอคิดได้เช่นนี้นีเจ้าตัวก็โกรธเลยนะโมโหเอาปาตักนี่ตีเมียพบอกว่าในระหว่างที่กําลังปรุงแต่งนี่กําลังกําลังพัดให้อุปชาอยู่ก็เลยเอาพัดนี่ตีอุปชาไปเลยเพราะตอนนั้นกําลังปรุงแต่งว่าเอาปาตักตีเมียที่ทําให้ลูกนี้ตกเกวียนไปเนีย่ยคนเราบางทีปรุงแต่งแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะ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 อั น, นี้ก็ให้เราพยายามนะให้ ร, รู้รู้เท่าทันความคิดนี่ของเรามันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดีแล้วนะแต่อย่าไปหลงเชื่อมันก็ถือว่ามันเป็นอุปกรณ์สําหรับการฝึกให้เรามีสติมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เรารู้จักใจของเราว่าใจของเรานี่มันชอบปรุงแต่งอย่างไรบ้างอย่าไปหลงเชื่อมารู้จักทักท้วงมันบ้างถ้าเรามีสติเราจะทักท้วงมันเพราะเราจะไม่เผลอปรุงไม่เผลอคิดไม่เผลอเชื่อมันคือความจริงหรือเพราะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนี่ ถ้ามันยังมไม่มาไม่ถึงนี่เราก็จะไม่ไปหลงเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็จะเผื่อใจไว้เสมอว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คนไม่ค่ยมีความคิดที่ทักทวงเท่าไหร่เพราะมันลืมตัวไปแล้วเพราะไม่มีสติ